พระอรหันสอนต่างกันได้ไหมครับตอบก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าพระอรหันท่านไม่ได้รู้ทุกสิ่งเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะบารมีของพระอรหันเพียงพอแค่ช่วยตนเองเอาตัวรอดไม่ได้บำเพ็ญบารมีเพื่อช่วยให้ผู้คนรอดมากๆจึงไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติเช่นความอย่างรู้และฉลาดสมบูรณ์แบบเหมือนอย่างพระพุทธเจ้า การยกระดับจากปุถุชนกิเลสหนาขึ้นไปเป็นพระอรหันต์ที่หมดกิเลสสิ้นเชิงนั้นหาใช่การมีข้อมูลในหัวเพิ่มขึ้นสิ่งที่ต่างไปคือมุมมองทางใจเพราะใจอยู่ในภาวะรากจากโลกของตัวตนไม่เกาะเกี่ยวกับโลกของตัวตนเหมือนคนอยู่คนละฝั่งกับโลกของตัวตนและการเป็นพระอรหันต์ก็หาใช่การเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอไปทั้งหมด พวกท่านแค่เลิกชอบใจในกามอย่างเด็ดขาดนิสัยและพฤติกรรมอันเป็นไปในเชิงชู้สาวจึงหายไปแต่วิธีคิดวิธีพูดและวิธีโต้ตอบกับโลกด้านอื่นๆยังอาจดูเหมือนเหมือนเดิมหรือเหมือนเหมือนคนธรรมดาทั่วไปใจอันพิสุจิ์ของท่านเท่านั้นที่รู้ว่าจิตแยกตัวออกไปแล้วไม่ข้องเกี่ยวรับผิดชอบอะไรกับการกระทาทางกายวาจาใจอีกแล้ว เหล่าพระอาหารหันต์ท่านได้ชื่อว่าฉลาดทางจิตเสมอกันจึงเอาตัวรอดได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนเหมือนกันแต่หาใช่จะประกันว่าฉลาดทางความคิดเท่าเทียมกันฉะนั้นความสามารถสอนของพวกท่านจึงไม่จําเป็นต้องแยบขายเสมอกันรวมทั้งนิสัยในการสอนกําลังใจในการสอนตลอดจนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่สอนอาจแตกต่างกันได้หลากหลาย อย่างเช่นพระอาหารหันต์บางองค์ท่านเห็นนรกสวรรค์และภพภูมิอื่นเป็นปกติกับทั้งเคยชอบใจในการเล่าเรื่องต่างมิติท่านก็อาจสอนเรื่องนรกสวรรค์บ่อยๆและจารณัยรายละเอียดของภพภูมิต่างๆอย่างละเอียดในขณะที่พระอาหารหันต์บางองค์ท่านไม่รู้เห็นเรื่องนรกสวรรค์มากนักกับทั้งเคยเห็นการพูดถึงนรกสวรรค์เป็นเรื่องฟั่นเฟือพูดไปก็ยุ่งใจเปล่า ก่อความสงสัยไม่สิ้นสุดเปล่า เ, าเช่นนี้ท่านก็อาจไม่พูดถึงนรกสวรรค์ลเลยหรือเมื่อพูดก็พูดแบบรวบรัดตามตำราไม่มีการแจกแจงพิสดารตามประสบการณ์ตรงเป็นตน้นแม้แต่หลักการปฏิบัติตนเพื่อเป็นพระอรหันต์นั้นพวกท่านก็เหมือนกันแค่ในแง่ของการดูให้เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนของทุกสิ่งไม่ว่ากายใจนี้หรือกายใจใคร ไม่ว่าวัตถุมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองจนจิตคลายจากอาการยึดว่าเป็นของเที่ยงเลิกถือเอาว่าเป็นเราหรือของเราเสียได้ทั้งหมดเท่าว่าวิธีปฏิบัติของพระอรหรรันต์จริงๆอาจผิดแผกแตกต่างกันเป็นคนละเรื่องเช่นก่อนจะมาเป็นพระอรหันต์ได้นั้นบางองค์ท่านนิยมหลับตาดูความไม่เที่ยงของลมหายใจเป็นหลัก และอาศัยสติรู้ลมหายใจเป็นศูนย์กลางการรับรู้อื่นๆในขณะที่บางองค์ท่านไม่ชอบดูลมหายใจเลยดูแต่ความไม่เที่ยงของปฏิกิริยาทางใจเป็นหลักอย่างนี้เวลาพวกท่านอบรมลูกศิษย์ก็ย่อมเน้นอุบายวิธีที่ไม่เหมือนกันแน่ๆใครสำเร็จมาแบบไหนก็สอนให้สานุสิทธิ์เอาตามอย่างแบบนั้นลูกศิษย์พระอระหรันต์ ต้องมีพื้นนิสัยหรือความชอบใจที่ใกล้เคียงกับพระอรหันตแต่ละองค์จึงคล้อยตามได้ง่ายประพฤติปฏิบัติตามได้ง่ายหรือกระทั่งประสบความสำเร็จสูงสุดได้ในเวลาไม่เนิ่นช้าหากอัธยาศัยตรงกันก็ย่อมผ่านประสบการณ์คล้ายๆกันรับคำแนะนำได้อย่างเข้าอกเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนได้ชัดเจนเหมือนขึ้นเขาจากฝั่งเดียวกันคนชี้ ยอมบอกเส้นทางและอุปสรรคขวางน้ำได้ละเอียดละ อ, อส่วนคนเดินตามก็ยอมผ่านเส้นทางและสามารถผ่านอุปสรรคขวางน้ำได้เช่นเดียวกับคนชี้เช่นกันแต่หากขึ้นเขาจากคนละฝั่งแม้ได้รับการชี้แนะอย่างฉลาดแยบคายเพียงใดก็อาจไม่พบอะไรดังที่คนชี้จากอีกฝั่งกล่าวไว้เช่นไม่เจอผาชันมีแต่ผาลาดเอียง หรือไม่เจอแปลงดอกไม้ป่างดงามเจอแต่พืชล้มลุกเป็นตน้นอย่างไรก็ตามยอดเขาไม่อยู่ยอดเดียวขึ้นมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้ชื่อว่าพิชิตยอดเขาได้เหมือนกันมองไปรอบทิศเห็นเหมือนกันสูตรอากาศโปร่งบนความสูงระดับเดียวกันแม้จะมาคุยกันขำๆว่าคุณมาลําบากกว่าผมเส้นทางของผมมาถึงที่หมายเร็วกว่าคุณ ก็ไม่ได้ทำให้ความสุขบนยอดเขาลดน้อยหรือเพิ่มขึ้นเลยสรุปคือพระอรหันต์ทั่วไปท่านสอนตามอัธยาศัยจะมีก็แต่พระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นจอมอรหันต์ผู้ส่งบาเพ็ญบารมีมาเพื่อสอนคนทุกประเภทท่านจึงไม่สอนตามอัธยาศัยหรือความชอบใจส่วนตัวแต่จะมีญาณอย่างรู้เป็นคนคนไปว่าพื้นนิสัยอย่างนี้เจอสถานการณ์แบบนี้ ล้วต้องแก้อย่างไรหรือจะอาศัยอุบายใดช่วยให้เปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นหรือกระทั่งบรรลุมรรคผลแบบฉับพลันทันทีด้วยวิธีไหนครับ บทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่17 31พฤษภาคมพุทธศักราช2550ได้โทษดดเสียงอ่านโดยโจโฉ <18, S 2> หรืออนุสอนรีโซภ า, าจ ทัข้างเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลหรือไรอันลึกล้ำตะมนอนคมกับการส่งผลข้ามกันคือทำอะไรทำดีหรือไร I'll just make it l a e e n if t o n h